ตัวความเข้าใจตัวนี้นะคือตัวปฏิบัติความเข้าใจใช่ไหมเป็นตัวปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเข้าใจปฏิบัติตรงเนี่ยนะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ก็คือตัวความเข้าใจมีความเข้าใจเท่าใดปฏิบัติมากเท่านั้นไม่เข้าใจก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้าเข้าใจมากก็ปฏิบัติมากเข้าใจน้อยก็ปฏิบัติน้อยพุทธศาสนาพุทธภาแล้วว่าความรู้ ถ้ามีความรู้ก็ประการปฏิบัติถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยนะรู้กับได้ยินเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยแยกเอาคําว่ารู้กับคําว่าได้ยินมาผสมกันตรงนี้ได้ยินเพื่อให้เกิดความรู้วัตถุประสงค์ของการได้ยินได้ฟังคําสอนก็เพื่อให้เกิดความรู้แล้วเรารู้แบบนี้จริงๆโดยสามัญญาสำนึกไหมเห็นคุณค่าของความรู้เหล่านี้ไหมว่าความรู้เหล่านี้นําออกจากทุกจริงนะความรู้เหล่านี้ดีนะเป็น เป็นความรู้ที่ประเสริฐเป็นนิยานิกระธรรมเป็นสวากขาโตพระวะตาธรมโมเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นคําสอนเป็นไปเพื่อสงบทุกข์เนี่ยนะเรต้องปลูกฝังสามัญยสํานึกเจริญความรู้ความเข้าใจอันนี้จนเพียงพอถามว่าเจริญสัมมาทิฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญยังไงเขาเจริญความเข้าใจอันนี้นี่แหละ ให้มากมากขึ้นเนี่ยนะเพิ่มพูนความเข้าใจอันนี้ให้มากขึ้นจากตอนแรกเข้าใจน้อยก็เข้าใจให้มันมากขึ้นเข้าใจไม่บ่อยก็เข้าใจให้มันบ่อยขึ้นที่เข้าใจมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วคุณภาพของความเข้าใจโตแค่ไหนลแล้วะความเข้าใจพอไม่ที่จะพ้นทุกก็มาตั้งคาถามว่าความรู้เหล่านี้พอไหมที่จะดับทุกพอไหมที่จะพ้นทุก พอไหมที่จะออกจากกองทุกข์แล้วก็มาตั้งคำถามแล้วแค่ไหนอันนั้นเาเรียกว่าเจริญความเข้าใจอันนี้จากปริตะเป็นมหคตะจากมหคตะเป็นอัปปามานะจึงจะออกจากกองทุกข์ได้อนนันก็สัมมาทิฏฐิอันนี้จะต้องบริบูรณ์และเพียงพอแต่ว่าในบรรณมัคเนี่ยนะมันไม่สามารถเจริญองค์ใดองค์หนึ่งโดยทิ้งองค์อื่นๆได้หรอกเนี่ยนะแล้ก็ เจริญตามเจริญความรู้ความเห็นความเข้าใจใครที่ยังมีความเข้าใจอยู่ได้แสดงว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินะมีสมาธิอยู่ถ้ายังรักษาความรู้ความเข้าใจไว้ได้ยังรักษาทัศนคติไว้ได้ยังรักษาความเห็นเอาไว้ได้แสดงว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินะนะมีสมาธินะจึงรักษาความเข้าใจไว้ได้โดยปกติเนรักษาความเข้าใจเอาไว้ไม่ได้นะก็ คิดดูว่าวันวันหนึ่งเราเผลอกับไม่เผล อ, อไหนมากกว่ากันเราเข้าใจแบบที่คําสอนว่ากับคิดเรื่องของเราเลยนะคือคนที่เจริญธรรมเนี่ยนะต้องแยกให้เป็นว่าขณะไหนเป็นชีวิตของเราแท้ๆกับชีวิตขณะไหนที่เป็นใจที่เป็นไปกับคําสอนแล้วใจที่เป็นไปกับคําสอนเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณเพิ่มพูนคุณภาพได้แค่ไหนอย่างไรเพราะว่าการปฏิบัติทำอย่างไรก็ปฏิบัติเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวใน สารณะใช่ไหมเราปฏิบัติเนี่ยนะอย่างน้อยปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือใครพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธทมแล้วนะสมควรแก่การบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ของเรานี่เป็นอย่างนั้นไหมนะเป็นอย่างนั้นไหมคู่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นไหมพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นไหมมีศรัทธ า, <Jeez. S 1> า, าที่จะเป็นเช่นนั้นไหมแล้วถามว่าถ้ามีศรัทธาที่จะเป็นเช่นนั้นเป็นเมื่อไหร่ <tempted. S 1> เป็นเมื่อไหร่เป <c oughs> ็นอย่างไรเออนักต้องคําถามว่าเออเป็นเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะรู้แบบนี้เมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องมาปรับความเข้าใจบอกว่าศาสนานี้ศาสนาของการปรับความเข้าใจอย่างเดียว อ่นะนะพระผู้พุทธเจ้าไปที่ไหนก็ไปสอนไปสอนคนให้เกิดความเข้าใจใช่ไหมถ้าแสดงว่าเป็นศาสนาของความรู้และความเข้าใจพระที่สูตทั้งหลายที่ไปปฏิบัติไปลีกไปเร้นไปอยู่ตามป่าตามเขาอันนไปสู่ที่แจ้งไปสู่คนไม้เรือนว่างเนี่ยนะอรัญกตวารุคมูลุกตวารุณยาคตวานี่ยสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เพื่อเจริญอะ จเจริญสติจเจริญสัมปชัญญะเจริญความรู้จเจริญความเข้าใ จ, จเจริญความไม่เผลอจเจริญอะไรทั้งหลายแหละก็คือจเจริญคุณธรรมเหล่านี้นั่นเองทํายังไงคุณธรรมเหล่านี้จะได้จเจริญเติบโตเพิ่มพูนมีคุณค่ามีคุณภาพจากปริตตะเป็นมหคตะจากมหคตะเป็นอัปปามะนะจากเป็นสิ่งเล็กน้อยให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากสิ่งที่ใหญ่เป็นสิ่งที่หาประมาณไม่ได้ เัรสิ่งที่หาประมาณไม่ได้อันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นโลกุตระเนี่ยนะก็คือเป็นเครื่องนำออกจากโลกนี้ถามว่าเอาแล้วถ้าเราจะถือหลักปฏิบัตินี่โอ้ที่พูดมานี่มันกว้างขวางเออเห็นด้วยแล้วทำไงก็อันนัทวนมาอีกครั้งหนึ่งว่าสามมัญญสํานึกของเราเนี่ยเห็นรูปว่าคือตัวชาชารา ม, มระโสโกา ป, ปริเทวทุกโทมนัสและ อุปาญาต์ไหมสัมปโยกทุกไหมวิปโยกทุกไหมปรารถนาไม่สมหวังคือทุกไหมทุกคือภูตรูปและอุปาทายรูปสามัญจสํานึกจริงๆเนี่ยเราตั้งไว้อย่างนี้ได้พอไหมอีกเชื่อหนึ่งแค่ว่า อ, อนิจจสัญญา อ, อนิจเจทุกขสัญญาตั้งความสําคัญว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วสําคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกองทุกไหมถ้าเราเห็นที่แท้จริงว่า สิ่งเหล่านี้คือชาติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปายาตชาติก็คือชาติธรรมโตใช่ไหมเอาวโตโตทั้งหลายเนี่ยชาติธรรมโตชาติธรรมโตปยาติธรรมโตมรณาติธรรมโตโสกธรรมโตอุปายาสธรรมโตเป็นต้นนนทุกขโทเนี่ยนะก็คือพวกอะไรนะพวกไอ้ไอ้สัมมาสัญญาเนี่ยแหละจนกว่าจะสร้างสามัญญสสำนึกอันนี้จนกว่าความเข้าใจอันนี้เรา ความคิดของเราเมื่ อ, อไหรก็เป็นความเข้าใจแบบนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทัศนคติไม่เปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเอางี้ดีกว่าถ้าถามว่าถ้าไปให้พระโสดาบันเปลี่ยนความเห็นจากอริยศาสตร์นี่เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้อะไรของเรานี่พร้อมไหมที่จะไม่เปลี่ยนจากความรู้ในเรื่องอริยศาสตร์ทีนี้ถามว่าถ้าเราพร้อมจะเป็นแบบนั้นแล้วเราพอกพูนความความรู้ความเห็นที่อนุหัตต์สอดคล้องต่อาการเห็นอริยศาสตร์ แค่ไหนเราฝักใฝ่แค่ไหนหรือว่าขอนั่งซึมซึมง่วงงอยู่ทุกวันต่อไปถ้างั้นก็ต่างใครก็ทางใครอะไรนะเอาไว้เจริญเมื่อวานว่าไงนะเจริญสัมมาทิฏฐิใช่ไหมกรร ม, มาสโกโกมหิกรรมมาทายาโทกรร ม, มโยนิกรรมมาพันธเออุเราก็มาด้วยกรรมของเรานะเราก็จะไปตามกรรมของเรา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือผู้รับมรดกของกรรมของเราต่อไปคำที่เราพูดนี่นะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปเนี่ยนะแล้วก็กรรมเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราทำบ่อยๆก อาสันกรรมกรรมเหล่านี้ถ้าทํำถ้ามันนําเกิดเรียกวชนะกรรมถ้ามันไปอุปธรรมก็เป็นอุปธรรมพรกรรมมันไปเบียดเบียนบาปก็เป็นอุปปีละกรรมมันไปตัดบาปไม่ให้บาปมันให้ผลก็เป็นอุปคาตกรรมเนี่ยนะมันจะต้องเจริญกรรมอันนี้ให้เป็นอาจินนกรรมให้ได้ไม่รู้อะไรก็เอาให้เป็นอาสันนกรรมก็ยังดีเนี่ยนะก็ต้องเพิ่มพูนเหล่านี้เอาเรามีกรรมเป็นของของเราใช่ไหมเอาคนอื่นเขาก็มีกรรมเป็นของของเราแล้วเราไปป่วยกับเขาทําไม อย่านั้นถ้ช่วยตัวทำเป็นรอดเธออะไรเงี้ยนะะไรนะเอาเขาก็มาก็เอาเขาก็มาด้ยกรรมของเขาก็จะไปตามกรรมของเขาเขาก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วเขาทำสมควรแก่กรรมของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะอะแล้วเราไปยุ่งกับกรรมอะไรของเขาใช่ไหมเขาทุกคนมีกรรมเป็นของของตนกิเลสของเราสิ่ไปก้าวก่เขาอะนะ กิเลสก็เป็นปัจจัยแก่กรรมกรมก็เป็นปัจจัยแก่วิบากแล้วก็ว่าไปอย่นั้นนี่ก็ถ้ามีความเข้าใจแบบนั้นมากๆเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าการเจริญเนี่ยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคำว่าทางนี้เป็นทางสายเอกเนี่ยแปลว่าเป็นเรื่องของคนส่วนตัวจริงๆเป็นการปฏิบัติเฉพาะตัวจริงๆไม่เกี่ยวกับผู้ใดนะความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวเอาแล้วงั้นทําไมพระพุทธเจ้ามาสอน ก็พระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายจริงอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ละสัตว์นั้นมีกรรมเป็นของของตนแต่พระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆที่จะบอกว่าทุกคนเมื่อมีกรรมเป็นของของตนเธอทั้งหลายควรทําอะไรควรทํากรรมเช่นใดควรประพฤติกรรมเช่นใดกรรมเหล่าใดที่ทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยนะเป็นไปเพื่อดับทุกและ โทมานัตเนี่ยนะอสรุปกลับมาย้อนกลับมาว่าเมื่อเรามีความเข้าใจเนี่ยนะพิจารณาโดยสา ม, มัญจะสานึกตามเห็นว่ารูปไม่เที่ยงตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์ตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์นั่นแหละว่าเป็นอนัตตาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเนี่ยนะก็คิดบอกเมื่อไรนะจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในตา เมื่อใดนะจะปฏิบัติจนเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในหูในจมูกในลิ้นในกายและใจทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อใดนะจะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเมื่อใดนะจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานเราต้องต้องเจริญเมตตาให้ตัวเองเหมือนกันนะเจริญเมตตาให้เพื่อเพิ่มมุ่งเพิ่มพูนคุณธรรม การปฏิบัติธรรมนั้นจึงไม่ใช่แบบอะไรนะซื่อๆเขาๆไม่ใช่แน่นอนแต่เป็นการปรับปรุงปรับปรุงอะไรปรับปรุงโพธิปักจธรรมทั้งสามสิบเจ็ดประการเนี่ยนะจนคู่ควรที่เรียกว่านิยานิกระทำนำออกจากทุกเนี่ยนะเราก็มาตั้งคำถามให้ตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราเราปฏิบัติอยู่นี้คู่ควรไหมที่จะพ้นทุกพ้นทุกเพราะอะไรทำไมจึงพ้นจากทุกได้ เป็นไปตามคําสอนไหมแล้วเราแน่ใจจริงๆหรือเปล่าเป็นต้นเนี่นะก็ถามเอาจากว่าคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจแค่ไหนอย่างไรท่านทำทำที่ควรเจริญก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยนะโดยสรุปสรุปในกายานุปัสนาคืออะไรสติกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือไม่เผลอว่ารู ป, ปรขันธ์เป็นสุภะเนี่ยนะในที่สุดของการปฏิบัติการเจริญตัวนี้คือเพื่อความไม่เผลอว่าเป็น สุภาทีนี้ถามว่าถ้าจะให้เห็นว่ารูปเป็นอสุภาอยู่เสมออยู่ด้วยกรรมฐ า, านอะไรดีก็ไปคิดเอาแล้วกันในสิบสี่วิธีเนี่ยอตัวไหนที่จะทําให้เราไม่เผลอว่ารูปประคันเป็นสุภาทีนี้รูปประคันเนี่ยนะรูปเหล่านี้ถามว่าสุขเวทนาถ้าจะเกิดอาศัยอะไรเกิดก็อาศัยรูปนั่นแหละเกิดทุกเวทนาถ้าจะเกิดอาศัยอะไรเกิดก็อาศัยรูปนั่นแหละอุเบกขาเวทนาก็อาศัย รูปนั่นแหละเกิดถ้ารูปอย่างดีเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนารูปอย่างเลวเป็นที่ตั้งแหง่งทุกขเวทนารูปปานกลางเป็นที่ตั้งแหง่งอุเบกขาเวทนาท่านก็บอกว่าถ้าจะพิจารณาเวทนาดูรูปเห็นเวทนาได้แล้วคิดง่ายๆ ว, า <c oughs> ว่าเห็นคนที่เราเกลียบเนี่ยนะเวทนาควรจะเป็นอะไรทุกขเวทนาถ้ารูปที่เราชอบควรจะเป็นที่ตั้งแหง่งสุขเวทนาถ้ารูปที่เราไม่สนใจเลย ก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนารูปทั้งหลายเนี่ยถ้ารูปที่เป็นหน้าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนารูปที่ไม่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา resp. รูปกลางทั่วไป <โ frustrating. S 1> เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนารูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเพราะเป็นวัตถุและอารมณ์ของเวทนาเวทนาถ้าจะเกิดเพราะสายอะไรเกิด เวทนาที่เกิดจากทวารตานี่อาศัยอะไรเกิดอาศัยจากครูกับรูปเกิดจากครูวิญญาณธรรมะสมอย่างประชุมการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาถ้าไม่มีตาไม่มีสีเวทนาจะเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงเวทนาจะเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีจมูกไม่มีกลิ่นจะมีเวทนาไหมไม่มีถ้าไม่มีลิ้นไม่มีรสจะมีเวทนาไหมไม่มีถ้าไม่มีกายไม่มีโพธาพจะมีเวทนาไหม ไม่มีถ้าไม่มีเรื่องที่เราคิดถึงเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีความคิดเป็นต้นจะเกิดเวทนาขึ้นไหมนั้นเวทนานั้นมีภาษะเป็นปจัจจัยภาษานั้นมีวัตถุและอารมณ์เป็นต้นกระทบกันจึงมีภาษะ